สมาธิแบบพุทธไม่ยากแต่ต้องผ่านด่านความไม่เข้าใจสมาธิแบบพุทธเป็นสมาธิที่ขึ้นต้นด้วยสมาธิฏฐิคือทำความเข้าใจว่าไม่มีใครทาสมาธิไม่มีใครได้สมาธิในทางการเจริญสติจะมองว่าจิตที่ยังงงยังไม่รู้ก็ปพระถูกห่อหุ้มด้วยความรู้สึกในตัวตนหนาแน่น เมื่ออยู่ในกายก็ยึดว่าตนคือกายกายเป็นตนรั้นเหลือแต่จิตก็ยังคงสำคัญว่าที่แท้ตนคือจิตจิตเป็นตนท่านให้เห็นไปตามลำดับว่ากายไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเวทนาไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์จิตไม่ว่าจะสงบหรือฟุ้งซ่านธรรมคือธรรมอารมณ์ ไม่ว่าจะเครื่องขวางหรือส่งเสริมสติล้วนไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอคลิกจริงเห็นอย่างถูกต้องเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆอยู่กับสมาธิแบบพุทธได้จะก้าวหน้ามาขึ้นทุกวันในที่สุดแล้วจะเห็นกายและจิตสักแต่เป็นภาวะที่เกิดตามเหตุปัจจัยเช่นไม่รู้สึกว่ามีใครนั่งมีแต่ท่านั่ง ไม่รู้สึกว่ามีใครสุขมีแต่สุขน้อยสุขมากกายที่นั่งเป็นฝั่งรูปความสุขสงบในท่านั่งเป็นฝั่งนามหรือเห็นลมหายใจสัตแต่มีภาวะพัดเข้าพัดออกจิตสัต์แต่มีภาวะรู้ลมอยู่เฉยๆจึงเห็นความเป็นคนละฝั่งคนละภาวะภาวะหนึ่งเคลื่อนไหวให้ดูอีกภาวะหนึ่ง นิ่งดูความเคลื่อนไหวความทุกข์สุขความนึกคิดก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งถูกรู้ด้วยจิตได้การเจริญสติจนเกิดประสบการ์ยากรูปนามแบบนี้นั้นนับหนึ่งด้วยการอาศัยธรรมะปลอกจิตให้หายงงระดับหนึ่งก่อนอย่างน้อยต้องเข้าใจแล้วว่าบาปไม่ดีเพราะทำให้จิตมืดบุญดีเพราะทาให้จิตสว่าง การเจริญสติประเสริฐสุดเพราะทาให้จิตใสร้อมตื่นรู้พ้นโซตรวนแห่งทุกข์ไปเสียได้จะเป็นสมาธิแบบพุทธต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นประกันท่านสอนนห้นับเริ่มจากการสังเกตง่ายๆคือตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือออกตอนนี้ลมหายใ จ, จแสดงความไม่เที่ยงอย่างไรสั้นกว่าลมก่อนหรือยาวกว่าลมก่อน รู้ไปเรื่อยๆจนสติผุดขึ้นประกอบจิตว่ามีแต่จิตผู้รู้ผู้สังเกตกองลมทั้งปวงอยู่ไม่มีบุคคลผู้รู้นั่นล่ละจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของสมาธิแบบพุธ